ข้าพุทธแท้ต้องไม่งงงายอย่างเรานับถือพระภูมิเราอยากมีพระภูมิเราก็ไปสร้างสารให้พระภูมิอยู่พอถึงเวลาก็เอาอาหารไปเส้นไปไหว้พระภูมิลองคิดดูสิว่าพระภูมิเนี่ยบ้านท่านก็สร้างอยู่เองไม่ได้อาหารก็อาศัยรอกิน คนที่กินน้ําใต้ข้อศอกเราอยู่จะมาช่วยอะไรเราได้แม้แต่บ้านก็สร้างอยู่เองไม่ได้อาหารก็หากินเองไม่ได้และจะมาช่วยเราให้สําเร็จสิ่งที่เราปรารถนาได้อย่างไรนี่แค่นี้ก็น่าจะคิดเช่นอย่างสมมุติว่านายร้อยอยากเป็นนายพันนายพันอยากเป็นนายพลอา้าว ไปหาพระหมอบกราบโอ้ยกรุณาเป่าให้ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนยศหน่อยเถอเอา้าวพระก็เป่าพรวดลงไปอยู่มาประเดียวเดียวก็ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนยศขึ้นมาก็โอ้พระองค์นี้ช่วยเราแต่แท้ที่จริงเขาจะได้ของเขาอยู่แล้วถ้าหากว่าพระหมอมนหมอวิชาเก่งจริงลองไปเอาพลทหารพลปลายแถว มาปลูกเสกให้เป็นในผลให้ดูสิถ้าท่านผู้ใดทําไ ด, ได้แสดงว่าเก่งถ้าใครมีของดีของขลังของร่ำของรวยไปเอาคนยากจนที่สุดคนขอทานกลางตลาดมาปลุกเสกให้เป็นเศรษฐีลองดูสิเนี่ยแค่นี้เราก็มองเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วเราไม่น่าจะไปเชื่องมงง่าย